ทาว่าติดเป็นอย่างไรคอรับการอบรมให้มีความสงบขึ้นพอประมาณแล้วก็ทราบได้ครับจุดของความรู้กับขันอยู่ด้วยกันก็ยังพอทราบได้ว่าจิตเป็นจิตขันเป็นขันถึงจยังไม่ชัดก็พอทราบได้ ความสงบเย็ยนใจความปลองไสความคล่องตัวของจิตก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปตามความเปลี่ยนที่กำลังได้มากน้อยคือเปลี่ยนแปลงมากเห็นได้ชัดๆก็เปลี่ยนแปลงตอนใช้ปัญญาพิจารณาเหตุก็หลุดลอยออกไปด้วยอำนาจของปัญญาถ้าไรก็ยื่งถึง ความคล่องตัวของจิตมากขึ้นเปลี่ยนไปไเรื่อยๆอาการของจิตเปลี่ยนหมายถึงเปลี่ยนไปเพื่อความละเอียดเมื่อเราปฏิบัติมั่นคงอยู่เสมอค่อเเยเปลี่ยนเรื่อยๆ ความละเอียดก็ไปเป็นำหนับกำดาเพราะเรานีเป็นสมมติทั้งนั้นจนงมาทั้งหมดสิ่งที่เกี่ยวข้องกับกิดหิ่งแทรซึมกับกิดแม้ส่วนละเอียดสุดชเช่นนัจชาเป็นต้นแล้วจึงหาความเปลี่ยนแปลงไม่ได้คงเส้นคงวา ความเปลี่ยนแปลงจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอย่างว่าเปลี่ยนแปลงสมมุติต่ามขั้นของสมมุติที่มีอยู่ในภายในจิตท้ทงดีมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเข้าอยู่ความละเอียดอดีก็เป็นสมมุติชื่วเป็นสมมุติบาปเป็นสมมติบุญเป็นสมมติเมตเข้าถึงขั้นทียใหญ่หแล้วมันจะเข้าใจพอเลยจากนั้นแล้ว ท่านถึงกล่าวว่าคุณหน้าปาปะไปน่าบุคคลเป็นแบบบุญและบาปบันลาเสียแล้วก็คือว่าสมมติทั้งดีและชั่วไม่ว่ายาละยาดได้ละโดยขึ้น <Lang> ถ <mientras S 2> <alc> <iki> ึงแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นคือว่าสมมตินะร้ายกความรู้ตามหลักธรรมท่านลุ้่นนวลนั้นในการแปลว่า สักิตะประโยชน์ดับปนังทั้งปิดทั้งตนให้ผงแผ้วผงแพ้วนันกเปินคู่เคียงับความผงใสเราจึงไม่สนิทใจนะถ้าได้เพิ่มความให้ผงแผ้วจนถึงความเบิกบุดแล้วเราเน่ใจดังในธรรมท่านกาล่าวไว้ว่าดูก่อนพริบถึงทั้งหลาย จิตเดิมแท้เป็นประพัดสอนคือป่องใสแต่เพราะอาศัยกิเลสที่จอหมาแล้วอาคันกกทุกขายหมายถึงความจอนหมาเป็นความจิตใจสร้างหนัขุ่นหมัวทันงหลาคําว่าจิตเดิมแท้ที่บอกของพระพุทธเจ้าในครำนี้นั้นหมายถึงจิตเดิมของวัจจะพ่อไม่ได้บอกว่าจิตเดิมแท้บริสุทธ เพราะจิตเดิมของใครก็ตามันมีอวิชชาเป็นรากฐานฝังรากลงอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกดวงไม่ว่าจะเป็นจิตขดคนจิตสัตว์ท่านจะกลัดว่าลูกก่อนชื่อหลายจิตเดิมแท้ทองใสเป็นวางปตะพัดสอนอยู่ความตกใสแต่ก็อาศัย ทเที่จรมาคือภายในจิตนี้สัมผัสกับสิ่งใดก็นำอารมณ์อันนั้นเข้ามาหาตัวเองเี้กว่าจรมาท่านพูดสองขังง้นสมมุติเป็นขั้นๆไปนีเมื่อราธรรมละจนถึงขั้นบริสุทธิ์เป็นส่วนนั้นนั้นข้ามวิ ป, มปัสหาไป คำว่าประกาศสอนเราคุยเจ้าคุงตัดไว้ในธรรมในคำภีธรรมบทนี่ผู้ปฏิบัติก็ต้องเจอถึงขี่ประกาศสอนก็คถึ ง, ถ, ง, ถ, งถึงขั้นขีดวิชานั่นเองมีแต่ความประาศสอนะความสนามผาเผยของวิชานะเพราะเป็นเรื่องขั้นหลอกขี้เล็กประเทศหลอกรวงอันละเอียด แหลมคมที่สุด ก, ก็ไม่มีอะไรเกยดับวิชาถึงคันนั่งถึงผ่องใสเมื่อพ่องใสเป็นพระพสอนก็พระพสอนก็หลงอยู่นั่นอันนี้มันมาระดับหน้าล้านนก่กว่าเป็นของดิบของดิบแต่กว่านี้มันสดายลงไปแล้ว มันก็เป็นจิตบริสุทธิ์จิตบริสุทธ์ก็ควรแต่การณเกิดคือีกะพุทสอนควรแต่การเกิ ด, กรรรรกรกดพร้อมที่จะเกิดอยู่เสมอหพ ร, ราะคพระพุทธสอนคำว่าพระพุทธสอนนั่นแหละคือตัวตัวตัวเชื้องีพาให้เกิดเมื่อนั้นหมดไปแล้วมันก็มีจุดมีหมายภายในาจิตใจ เราปฏิบัติมาโดยลําดับจิตเป็นสมาธิก็มีจุดแห่งความสงบของตนมีฐานแห่งความสงบของตนเป็นลําดับมายิตนีเป็นสมาธิแนบแน่แนเท่าไหรก็ยิ่งมีฐานอันแน่นหนามั่นคงไม่หวั่นไหวกับอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นคำว่าสมาธินี่จึงเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตได้ดีจิตไม่วุ่นวายใจแสบไม่หิ้วหวยกับอารมณ์อะไรเพราะอาศัย อาหารคือสมาธิเป็นเครื่องหล่อนเยื่ออยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาเพราะจิตได้รับอาหารแล้วไม่มหวิวโหยให้นําจิตที่มีความอิ่มตัวในทางสมาธินี้ออกไปคิดโค้นทางด้านปัญญามันจะทํางานให้ในเก็ม์เม็ดเต็ ม, หม์หน่อยไม่เหมือนจิตที่กําลังหิวโหยวุ่นวายโดยพิจารณาปัญญามันกจในปัญญาลงมประมดนอกจากเวลาจนกรอบเป็นมุมที่เราจะนํามาใช้ในบางการเพื่ออย่างที่เขียนไว้ใน อ่าที่อย่างที่เกล่าวลว้ว่าปัญญาลงสมาธิคือมันจนกรอบมันทำยังไงมันก็มีแต่ความยุ่งความเหงวุ่นวายมันเป็นยังไงว่าเออวะนั่นอะรนั่มันเป็นการพิเศษขึ้นมามันจะไปไหนจิตนี่วะตามค้นขุดค้นเขาก็จะไม่ยอมให้มันหนีจากในวงกรรมฐานไปได้เลยตามขูยเกลียขุดค้นจนจิตมันหมอบเพราะปัญญาตีตะล่อม เข้ามาเข้ามาสงบแน่นลงไปด้วยอํนนานาจของปัญญาส ง, สงบได้อย่างอาจฐานทีเดียวทีนี้ปัญญาพาให้จิตสงบมีอาจฐามมากถอยขึ้นถอนขึ้นมาก็มีความสงาา่าผ่าเผยนี่เป็นกรณีหนบางกรณีถ้าไม่เขียนไว้ก็ไม่ได้เพราะความจริงนะถ้าปฏิบัติมันเป็นได้อย่างนั้นในบางรายถึงจะไม่ทุราแต่ก็ต่างมันมีได้ในบางราย ดังที่เราที่เขียนนี่เราเป็นแล้วนี่เรานําความเป็นของเรามาเปลี่ยนมันใช่เราปะอุตรถลิกอะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงเวลาจิดมันไม่หยิดไม่ถอยที่แรกก็ไม่ได้คิดว่าจะลงกันขนาดนั้นนั่นนะตับนู้นตับนีน่คิดพิจารอะไรจะ ก, กําหนดอะไรมันไม่อยู่ไม่ยอมรับนม่นตับนูน้นตับนี่เป็นยังไงว่าใส่นะไรกันที่ มันจะไปไหนไวะจิตนี่มันจะรวดเร็วขนาดไห น, ไหนวันนี้จะตามกันให้รู้เนี่ะขุดค้นลงไปทางด้านปัญญาเตยจ่องเข้ามาเตยจะล่องเข้าม า, ม า, มาโโหโว้ยก็เหมือนตะลุมบอล น, นั่นแหละแม้กระทางมันหมอบหมอบด้วยปัญญานี่หมอบจริงจริงจิตลงสู่ความส ง, งบกัลงอย่างอาถรรพทานไทยถอนขึ้นมาก็อาถรรพ์สังา่าผาบเผยทั้งลงไปทั้งถอนขึ้นมานี่เป็นกรณี หนึ่งต่างหากการคดีทั่วไปดังที่ว่าสมาธิอุบรมปัญดาก็ดังที่ว่าสมาธิเป็นเครื่องหนุนของปัญญาอาหารทางสมาธิเป็นอาหารของจิตได้ดีเป็นเครื่องหนุนปัญญาให้พิจารณาทําหน้าที่ไม่ยิวโหยวุ่นวายกับงานกับสิ่งนั้นสิ่งนี้พอที่จะยิ่งเต้นเพ่นกระโดดแต่กายจะเัยอยาอารมณ์ให้ทํางานอทําเป็นนึกจนหนุยต่า ง, งหน้าต่างตาทําให้นี่แหละสมาธิเอง ฐานอันหนึ่งที่เวลาลพิจารณาทางด้านปัญญามากๆฐานสมาธิที่เคยมีนี่หายหมดโดยที่จะว่าเป็นเหมือนคนไม่มีสมาธิไม่ได้นะเพราะจิตความรู้สึกทั้งหมดมันหมุนอยู่กับทางปัญญางหมด มันไม่เข้ามามีความรู้สึกอยู่กำเพาะตัวเป็นท้าเป็นสมาธินี้ออกจากพลังของสมาธินี้แล้วไปเป็นปัญญาเหมือนทางนัน่นทางนี้เขาเลยฐานของสมาธิที่เลยเคยเป็นนั่นมันเลยหายหมดไปไหนเวลาคนถามแล้วพูดแบบทิ้งๆว่างั้นเถอะเป็นอะไรทอนา่าโอ้ยไม่ได้รู้อะไรเลยว่างสมาะธิก็ เ, เลี้ยวแหลกไปหมดเลยแหละบอกว่างั้นไปเอะสียความจริงมันไม่ได้เลวนี่ครับพูดไปนั้นแหละ อะไรอะไรมันทุ่มหาปัญญาหมดเลยอย่างหน้หมามที่มันกลายไปทางปัญญาสมบัติแล้มันไม่ยอมจะมาอยู่ในพระมาใจเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะให้พักหยุตนี้ที่งต้องได้หักห้ามลิบร่างกันอย่างเต็เมเนียวมันบังคับให้ขเข้ามาอยู่ภายในความสงบมันก็เข้าแต่แต่แตมันฝืนเข้ามานะฝืนเราไม่ได้มันก็จําใจเข้ามา เพาติปัญญาขั้นนี้มันบังคับได้เนะไม่มีอะไรนี่จะจิตกับอาการของิตคือฤรืิตปัญญาเท่านา้นนะไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้งองเพราอเราจะมาถุดมาลากจิตไปให้เป็นทะเ ล, ะละาะเล่นอีกเสียงนี่ไม่หนึ่นงเพราะฉะนั้นบังคับเพาว่าบังคับบังคับออกมาจากงานต่างหากงานที่มันทำํำด้วยปัญญานะให้เข้ามาอยู่ความสงบเพื่อพักตัวนี่แล้วก็บังคับเอาไว้นั้นไม่ให้มันออก คือสร้างอาบุธโธอัดเข้าไปเราไม่ลืมนะพุโทโธถี่ยิบเดี๋ยวไม่งั้นไม่จะออกไปทํางานไม่ใช่จะออกไปเพื่อเพลินนเพื เ, พเลินอะไมันไม่ได้สนใจกับอะไรทั้งโล ก, กะธาตุนี้ไม่เคยสนใจกับใครเลยในข่านระยะนั้นขิดข่านนั้นภูมินั้นะมีแต่ความเพลินในการปิจญณาที่เรียกว่าอุทัดจัดหรือเพลินต่อการขอ ง, งานต้องจนเกินเกินไปท่านก็เรียกว่าเป็นอย่างยอดอันหนึ่งเหมือนการไหนเพราะว่าพอดี อีกควรจะพักจิตให้อยู่ในความสงบเพื่อเป็นบาทรเป็นฐานเพื่อเป็นกําลังของทางปัญญาเขาไม่ภักเสียเมื่อเราจะตายแล้วมันก็ต้องผ่พักจนได้มันจะไปไหนมันจะตายมันก็ต้องปล่อยจอบปล่อยเสียงเองเนี่ยควรจะตายจะไปจับจอบจับเสียงขุดอย่ยังไงมีมันจะตายเพราะการพิจารณาอืเมื่อหิวอ่อนเครียจึงจะตายแล้วมันก็ต้องถอยเข้ามาจนได้แล้วครับในอง์สมาธิแน่ว บางคับไม่ห็นออกจอมาทั่งเห็นว่ามีความสบายเบ่าไว้หมดที่นี่นะนปล่อยงานเบาไว้หมดสบายพอได้กำลังรู้เลยในตัวแล้วกำ ล, ล, ลก็ปล่อยพอปล่อยภาบถึงเลยที่นี่หมุนเตะ ง, งานเลยคันนี้ในคันนี้ฐานสมาธิไม่มีน่ละผมเองเป็นอย่างนั้นฐานสมาธิมีมีจนแน่นหนามั่นคงเพราะเรา สังสมนี้เราอยู่กับสมาธิเราบำเพ็ญเพื่อสมาธิอยู่โดยตรงไม่มีเวลาดีดจังในแต่ความสงบมีแต่ความสงบนั่นก็มีอะไ่ปัญญาแล้วใช่พอทางด้านปัญญาแล้วไปถึงขนาดมันหมุนติ้วไปเรื่อเลยฐานสมนีิเลยหายหมดอทีนี้อันอันหนึ่งที่มันเป็นความส้องใสมันมันไม่ใช่ฐานสมาธิมันเป็นอะไรอีกหนึ่งเป็น ปัญญาที่ขังละได้แล้วยิ่งมีความปอกความใสถึงเวลามันว่างมันก็ว่างดนอย่างชัดเจนเรานี่พูดพูดได้อย่างเต็มเปล่าเลยในเรื่องควาว่างของจิตว่างต่อร่างกายว่างต่อสิ่งทั้งหลายตาเห็นไปนเหมือนกับพอเป็นเงาเงาเนี่ยจะมองดูภูเขาทั้งลูก มองดูก้อนหินใหญ่ๆทั้งก้อนมันจะเป็นเงาๆแต่จิตอันส่วนให่ของจิตมันว่างบมมันไม่เหมือนเหมือนไม่มีก้อนหิงมีแต่เงาเฉยๆเดินไปบนฐันดินนก็มันเป็นเป็งเงาๆมันทะลุไปหมดนะเหมือนเป็นเองร่างกายไม่ต้องพูดแล้วมันก็เหมือนกับแก้วครอบตะเกียงจะขยุ้นเลยร่างกายข้างในมันใสสว่างนั่นจ้า มันแทงทะลุมาหมดเป็นเงาเป็นเหมือนกันนั่นแหะเจ้าคราบตะเกียงยประยุทธนั่นเองมันเป็นเองของมันรอ ว, ว่างตามฐานสมาธิหรือว่างตามฐานของจิตนะว่าตามฐานสมาธิเราไม่สนใจก็ว่างว่างตามฐานของจิตนั่นสันแต่สมาธิมันก็ว่างว่างเฉพาะสมาธินั้นแต่กำหนดการข้างนอกมันก็ไม่ว่าง พอจิดมันว่างตามฐานมันจริงๆแล้วมันไปนไหนดูไปไหนมันก็ว่างเสมอแต่มันยังไม่ว่างตัวเองเวลามันจะเสร็จจสิ้นของมันมันก็ต้องมาพิจารณาตัวเองนั่นแหละจนกระทั่งตัวเองว่าตัวมองไปไหนก็เห็นแล้วว่างนั่นว่างนี่ว่างแต่ตัวเองไม่ว่างมั้งแต่ภาชนะอยู่นั่นแนววิชาตันหาเต็มตัวอยู่นั่น เอาว่าตัญหามันในมหาทุงตัญหาแบบหยาบๆนะความความหยาหมายถึงอันนี้ความรักความชอบใจ ค, ความติดความสนิทสนมกับความผ่องใสความสิขนั่ น, นไม่ต้องเลยว่าพิจารณ์นพียงแต่เท่านั้นมันกระจายไปซะหมดไม่มีอะไรเหลือที่แม้ก็ว่างที่ยากของสมาธิ ว่างตามฐานของจิตหนึ่งว่างเป็นไม่มีอะไรเหลือทั้งจิตก็ว่างส่วนภายนอกก็ว่างฐานคงจิตเองก็ว่างนั่งหมดปัญหาไม่จะพิจารณาอะไรไปอีกมันก็รู้เองทำว่าสันติเกโก้วไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยรืารู้เองเห็นเอไม่เคยเห็นไม่เคยรู้มันก็รู้มันก็ว่างสงสัย มีเงื่อนอะไรต่ออีกจะทํางานอะไรต่อไปอีกมันก็รู้ชัดแล้วว่าไม่มีอะไรที่จะทําต่อไปแล้วจะทําอะไรทํากับอะไรอะไรก็ไม่มาเกี่ยวข้องไม่มีส่นเกี่ยวข้องที่จพอที่ให้ศึกษาเราเรื่องมันไปแต่จิตนี้ก็แต่ว่าจิตเท่านั้นทอ่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตเป็นคนเป็นเราเป็นเขามันก็ไ ม, ม่มีเสียงหมดความสมสมุติอยู่แตสมมติอยู่ที่ตรงไหนก็มีเสียง มันจะทำอะไระอีกนะนนความยากลำบากมาทั้งจากต้ตนจนอลังสารมันยากมาโดยลำดับธรรมดายากตามขั้นของงานงานสมาธิเป็นงานยากมันก็หนักทั้งส่วนร่างกายด้วยการฝึกฝนเทอมันร่างกายปวดหลับปวดนอนผ่อนอาหารอดอาหาร น, านั่นก็เป็นทุกข์นั่งสมาธิภาวนา น, นานนั่นก็เป็นทุกข์มันเกี่ยวกับเรื่อง ฝึกหาทางด้านสมาธิกล็ลำบากพอจิตเป็นไปแล้วมันก็ลำบากทางด้านจิตอยูีกยังสร้างจิตเป็นปรละเอียดเท่าไรก็ยิ่งมีความลำบากในงานของจิตแต่มันก็ไม่ได้สนใจความลำบากนั้นให้นอกเหนือไปจากงานที่กำลังทำเพื่อความรู้แจ้งจริงในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องครับด้านถึงมไม่ถึงว่า ถ้าลำบากลาำบดญหรือการไปสึกกำลังความสมาร์ทตัวเดียวเนีมันมันก็อยู่ของมันเองสติปัญญาที่หมุนเป็นธรรมจักเตี่ยตี้ยวเตี้ ย, ย น, นันั่นก็หมดปัญหาไปเองนี่นเป็นอัตโนมัติด้วยกันธ์้งนั้นเนี่ยความเพียรที่หมุนตัวเป็นเตี้ยวเยอะสติสัญญามมันก็หมดปัญหาไปเองขอชาตเจ้ามากแก้อะไร ปัญดาก็เ พ, พื่อจะพิฆาตัดฟันทันแหลกกับกิเลสนะกิเลสประเทศไหนมันมีอยู่ในจิตนายมีไหมมันแน่ใจว่ามันไม่มีมแล้วจะไปฟันอะไรฟันลมพันแรงได้มันมีขึ้นสุดได้งานของทางธรรมงานโลกติมหาสิ้นสุดไม่ได้ตั้งแต่วันเกิดมามีงานนั่งงานนี้เรื่อยมา จนกระทั่งวันตายไม่เคยเห็นมันสำเร็จเกิดขึ้นอะไรไปได้เลยใครตายไปตะตายไปเพราะความห่วงความใยกับการกับงานกับงานมึดเพื่อนูงุดหงไปหมดไม่มีจิตดงในที่จะไปด้วยสุขโตหายหมองหรืออนารายูหมดความอะไรไม่ได้จิตตายไปด้วยความมว่นหมองมวุ่นวายผัวพันกับ เกี่ยวข้องคู่เกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่วาจะหาความสุขมาจากไหนตาก็แบกภาระมันหนักไปด้วยความห่วงใ่งานที่ทําก็ไม่สาเร็จตายแล้วคนมาทําแทนสืบต่อกไปเรื่อยไม่เห็นมีใครทํสำสาเร็จงานงานมีสำเร็จงานนั่นมางานมีสำเร็จงานนั่นมาเขาก็ยังทํากันเราจะไปอาฐานเหนืออาถารพ์จะได้ชนะงานแบบนี้ งานนี้ทางอยงทางโลกนี้สําเร็จเสร็จขึ้นไปก่อนเราถึงจะตายมันเป็นไปได้เหรือเราเชื่อแน่ในความคิดทั้งเราความรู้สึกลอยไปหรอเราทำไมไม่เชื่อแน่อันไหนที่เป็นความจริงความแน่นอนหลวพ่อพุทธิย่าสอนไว้ว่าเอางานนี้ให้มันถึงขั้นวุนติตามธรรมาจาิตอย่างมันเสร็จจริงๆไม่มีเจติตัวไหนจะมาดินมาดิดฟื้นตัวขึ้นมาแล้วมาทําลายเรามาต่อสู้กับเราอีกถ้าลงมันหมดอย่างราบไม่มีเหลือแล้วร้อยเปอรเซ็นต์ั้นหมดเท่านั้นห มันแต่ขนาดนั้นแล้วไม่มีที่เราจะสะดุดใจว่าเอ๊ะที่เหลือตัวนี้กันนึกว่าเราอะไรข้ามันทิหายตายไปหมดชำนาญหมดไปแล้วมันมามีขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่มีนะนห็นบอกมันตายหรือว่ามันหมดหมดจริงๆก็ไม่มีอะไที่นานาเป่นี้แต่งานการขัดสมาธิสบายที่เกี่ยวกับเรื่องความปวนใจความยุ่งเหยิงวุ่นวาย วิเลตันหาเท่าเท่าต่างว่าเผาร้อนหัวใจเหมือนกับพูเขาไปหมดผูกกระยถูกน้ำอาบน้ำทำชาล่างไปจนไม่มีเหลือดับหมดไฟราคะไฟตัณหาราคะกินาโทสักินาโมหกคินาดับหมดด้วยน้ำหรือมัตติมาปฏิปทาเย็นไปหมดแล้วจเหมือนน้ำเด้อสาดลงไปที่กองไปใหญ่ เพราะโจิตใจนั่นให้นับมอดตั้งเหลือแล้วก็มีแต่ความเย็นฉ่ำตลอดอนันตการด้วยไม่มีอาการที่โก้ว่างอาการที่ก่จิตอาการที่ก่อธรรมอันเดียวกันนะแต่ลงไปถึงนั้นแล้วทําก็จิตเป็นอันเดียวกันเนี่ยว่าจิตก็ได้ว่าทําก็ได้ถ้านไม่ขัดไม่ข้องไม่แย้งใครทั้งนั้นแหละขอให้คิเลย ต, ตัวมันแย้งเก่งๆมันดับไปถอง ไม่มีอะไรจะแย้งไม่มีอะไรจะข้านกันได้จะของหาพี่ข้าจะของหางไม่เนี่ยเพราะพิเรศตัวข้านมันไม่มีพิเลรศคือตัวค้านทำเนะ่ยมีน้อยข้านน้อยมีมากค้านมากขัดแย้งมากไม่มีแล้วก็ตายหมด่ามีอะไรมาขัดมาข้านมาขัดมาแยง้งสบายเนี่ยนขึ้นเส้นสขึ้นเสร็จได้ได้ของข้าเราเอาให้กินให้จัง ดูที่หัวใจจะมองนี้ไปอื่นสติปัฏฐานสี่เอาให้จริงให้จังจะในสติปัฏฐานใดก็ตามเวลาพิจารณาก็ิืัฏฐานใดเอาให้แน่ให้จังให้ตริงแต่รูปความคำบุคคนั้นคานี้ไม่จริงไม่จังการคนจักจดโดยไม่เป็นชิ้นเป็นอันไม่เป็นหน้าเป็นหลังไม่เรียกว่างูปลาปลาเสียถาว่างูหรือก็ไม่ใช่สงสัยว่าปลาใช่ก็ไม่ใช่ไม่แน่ใจสงสัยงูปลาปลาหวา จริงๆเลยตัวจากนี่ก็บบ เ, เกี่ยวกับการเป็นปัญหาท่านผลายครับผมตอนนี้ผมทำทันต์แจ้งกางตลอดเป็นปัญหาเท่าไรท่านปัญหาทีาา่เป็นปัญหาที่ทุ่งหกนะท่า น, านอาจารย์ผมไม่ใช่ท่านจ่ายที่ย เมอคุณางมีที่สองสว่างเป็นแางเคือที่จะไม่ใช่เป็นสำคัญทั้งในกลุ่มอยู่ท่เขาใหญ่เพื่อท่านจายุการหนึานท่านอ่จริมาจังผ่านได้เราผ่านที่จัาหวัผมลืมเลือต้นไม้ที่มันไปอยู่ไหมครับต้บนต้นไหนต้นเดียวต้นเดียวต้นเดียวเป ต้นไม้ต้นเดียวเดีวกงวันก็ไปเียนกรมเพื่ต้นไม้ร่มเย็นดีนกลางวันก็ปเรียนกรมนะที่อยู่ท่าจริ ง, ท, ง ท, นนะท่านก็อยู่ที่นั่นนะอยที่อื่ก็จะทังแต่เขาเขาเขาคือถังแล้หท่านผนะอนน้ำผ่อนหนต้นไม้ต้นเดียวไม่เกี่ย ว, วกับต้นใดเลยกล น้ น, นลกลงที่นั่นเนัผมก็ไม่คลอนที่ตรงไหนัหกเป็นแจมใหม่ป็นเท้าไปแจมใหม่่ตนแขงน้ปู่แข่งนี้ก็เส่มใหม่นันลอันนี้ผมไม่มีเวลาที่จะถามท่านแต่ธรรมะที่เข้าโตกันนนั้นเราเป็นที่น่ใจเละร้อยเปรตเอง ว, วาาไม่มีอะไรตกลงแล้วเพราะออกมาจาก การโต้อตอบปัญหากันเนาะเราก็ยกนิ้วให้ท่านเลยเเสมลำ่ำหนึ่งทดหน้าหนึ่งแม่เป็นทดนน้าหนึ่งทดแค่ละเพราะปัญห า, ป, าปั๊บเข้าไปท่านตอบพังไม้พางไม้แล้วปา๊บเข้าอีกขั้นที่สองนี่เป็นสามสิบสามิบห้านาทีขั้นแรกนป็นสิบนาทีรวมแล้วเป็นสีห้านาที ก็เป็นที่หมดหมดปัญหาปัญหาที่เราถามเป็นปหาดูรื่องควมคีเท่าไรก็ไม่เจอก็ เ, เอาพูดง่ายๆว่ามัดเด็ดใส่กันเลยฮนะปัญหามัดเด็ดพูดง่ายนะถ้าท่านไม่รู้นะท่านจะตอบได้อย่างไรปัญหานี้ น, ะนั่นเพราะเราเอาตังตังแบบนี้เลยเราพูดอย่างนี้เราพูดในวงเราเราพูดตามีเพราะเรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยผมไม่ได้ไปสนใจนี่ยิ่งกว่าอัดกว่าทาํา ผมเคารวท่านเลยคารวแต่ผมอยากจะทราบความจริงจางท่านผมก็ต้องถามป้าพ่อไปท่านก็ตอบผางออกมาทันทีน่ะะแสดงว่าท่านเชี่ยวชาญท่านผ่านนานแล้วปับถา ม, มตอบป้าออกมาทันทีจิบนาทีอยู่ป้ากีกปัญหานี้เข้าอีกป้า ป, กปีกท่านก็นิ้นตอบใหญ่เลยจริงโยกเป็นถางผางเลจบงนะ้า อ๋อผิดที่ตรงไหนสนารค้านะนะก็ผมไม่ค้านก็ผมหาจะทําอย่างนี้เองคงไม่มีใครไปถามท่านปัญหาอย่างนี้อย่างเชื่อไปถามเรามเป็นปัญหาปับป่าเราไปทำนะดูท่านโอ้อาการของท่านกระปี้กระเป่าขึ้นในขณะนั้นนะปรากฏว่าสดชื่นขึงขันตึงตั ง, งเสียงล่นหมด เอออย่างนั้นนะพลังของจิตท่านเหรอไม่มีผู้ไปนั่นนะผมบอกว่าไม่มีใครมาถามอย่างนี้อยู่ดง่ายๆพูดอย่างแท้ๆตัว น, นว่าแล้มีใครมาถามนี่พอให้ได้พูดออกมาให้เต็มอาจเต็มคำสักทีทเถอะมันนี่แต่คนหูหนวกตาบอดพูดเรื่องต่งก็ไม่รู้เรื่องรู้ลาองกจกไม้คำว่างั้นนะมั่งท่านก็ใส่ถางผางมาพลังของธรรมนโอ้โหพุ่งพุ่งรางจริงเวลาคุแม่ครูอาจาจราาย์แสดงธรรมคือใครจึงว่าจะดุ ทำให้มีอำนาจมันตาบกยิเดกได้เลยพลังของธรรมที่แสดงมานี่โอเผ็ดร้อนเสียงกลางวานเสียงแผดไปหมดเลยเพราะอำนาจของธรรมโดยอาศัยเสียงนี้เป็นเครื่องหนึ่งแสดงออกพลังธรรมเผ็ดร้อนเสียงก็เผ็ดร้อนพลังธรรมออกมากหรือ ม, มีกําลังออกมามากเท่าไหร่ก็ยิง่งยิรยาคารก็ยิง่งแสดงให้เต็มที่พลังของธรรมไม่งั้นตากยิเดตได้เลยทำไม่มีกําลัง เราเชื่ออย่างนั้นแล้วมาเชื่ออะไรไงก็มันเป็นน่หัวใจอยแต่คนเราเราดูเราดีเราไม่ไปสนใจเราใครอะไรมันรู่นี้อะไรมันยนากดังมาคิดในใจกับผู้ใดเคยกดไปแค่นผู้ใดเราไม่เคยตากฏไม่มีอะไรมาปาก จะให้ว่าดุคนได้ยังไงเขาว่าดุด้วยอารมณ์ก็ต้องหมายถึงกีเลสที่เปนพาให้เป็นอารมณ์ขึ้นมาเห็นมันไม่ปรากฏเราครืนขังตึงตังตามพลังของธรรมหนักเบามากน้อยนั้นเรายอมรับนิสยัยครูบาอาจารย์องไหนที่มีความอาดอา้ารโดยแล้วนั้นยิ่งจะออกอยังเผ็ดร้อนที่สุดเหมือนอย่างคน เคยกดเคยแค้นกันมาตั้งกับตั้งกันเะล่ะใส่ถางถางถางเลยพพลังของทำพุ่งพุ่งพุ่งพอพูดทันแล้วท่นาตนตอปัญหาตั้งสร็จแล้วาท่านจะต้องแน่ใจเหมือนกันนั่นไม่เปียนแต่เราจะไปแย่ท่านท่านท่านต้องแย่เราเบือนกันแย่ในทางความรู้สึกท่าน เราจะเห็นได้ตอนที่ท่านถามรองนั้น่ะเคยพูดไปแล้วอย่างไหนองนั้นอ่ะเพูดแล้วอย่างก็หมายถึงปัญหาอันนี้แหละั ย, ยพูดอย่างเมาสมสม เราก็พยายามนาหครับแล้วที่จะไปคุยทํามา ก, กับท่านโดยเฉพา ะ, ะ, ะมันไม่มีเวลาคราวที่ร้านยันต้องตัดสินใจเอาให้ได้คราวนี้เคลื่อนไปไม่ไดนะ้นอกจากท่านสุขภาพท่านไม่อํานไหวเท่านั้นก็อ่นเต็มแม่เต็เเตนหนแล้วออกมาก็สบายเลยแต่ท่านฉันต์ น, นี้ไม่มีเวลาครับผม จะคุยด้วยเมาท่านแต่เาะที่ไม่มีรายกับพระแ่หนึ่งอย่างน้อยก็สามสี่ห้าองค์ยันเช้ hmm. ผมพยายามตั้งแต่ไปเจอเขาสุดท่านกันลงมาท่ท mm hmm. ทานท่านอยู mm ่ท hmm. ี่วัดท่านเลาเองผมทำาัางตป็งสองคืนออกไปนั่งเดม่งไเลยไปผมไปดูอาการขงท่านเป็นโรคหัวใจที่หมอเขห้ามไม่ให้ลยดู ผมก็ไปท่านนั้นสองคืนมาหาท่านตอนไหนก็มีพระตำแน่งั่นเสียไม่มีแถวเข้ามายุ่งท่านท่านก็คุยสกจะกับพระตําเน่งเสียเวลาเราไปก็คุยประมะในเวลาเหมาะสมไม่นั่งเวลาเหมาะสมเซึ่งมาอยู่อุ่นๆก็ผนหน่วงกันไปเยแน่นเยอไม่คุยกัน คือก็อย่างเต็มปากครับหลวงพ่อบัวกับท่านท่านหลวงปู่ขาวเอากันอย่างเต็มเหนีน่ยวท่านทำดีก็ไม่ได้คุยอะไรมากแต่ก็เขียนหนังสือถามปัญหาท่านท่านตอบได้ดีเราก็ไปตีแน่ใจท่านทำดีมีความแน่ใจ เพราะท่านหัวเนือยคนกรไปเราลมากเวลาพูดคนั้นท่านก็จะยินเวลาท่านพูดท่านะเวลาท่านพูด่าเราฟังพูดแเราก็ด้ยินเวลาเราพูดท่านามยินท่านจะเจนนิ่หมายน้อยๆะรงกข้าไถึงปัญหาน้อยถามท่านก็เียตอบมายินไหมเราเราอ่านดูแล้วถามอีกท่านก็ตอบอีก อันนี้ก็เราก็แน่ใจแต่อันหนึ่งที่เราไม่สบายใจตามหลักธรรมที่คิดว่าเราเป็นอาจารย์ท่านโน้บายขที่มาจาับท่านไปพากัดกรรมรุ่มมาเมื่อพระเจ้าก็ ม, ม, ากากมาสม่งเพราเงั้นหลวงจากนู่นแล้วก็จะมาหาเราเออให้ฝากความคิดถึงไปถึง ท่านหาบัวเนทหาบัวเป็นอาจารย์หงอตะมาวทงนี้ก็มาพูดเราตามนั้นหรสอทำไมพูดอย่างนี้หรอก็ท่านสั่งมาอย่างนั้นเนี่ยท่า น, นหาบัวเป็นอาจารย์หงอตะมาเราว่าในเรื่องกันเนี่ยอุบายถวายอุบายต่างๆนั้นเราก็ยอมรับ ยรืที่ท่านดูหนังสือเราแว่นดวงใจท่านบอกขอาแว่นดวงใจนี่โอ้ยสมชื่อสมนามแค่นักธมานะผมปฏิบัติในคันนี้ผมจริงเห็นหนังสือของท่านมีคุณค่ามากที่สุดแว่นดวใจผมห่างจากตัวผมไม่ได้เลยที่ท่านมาตำมสายหน้องแสนนงน่ะแว่นดงใจนี่ห่างจากตัวผมไม่ได้เลยลเวลามันเกิดกับขทบเราผมก็ต้องเปิดปุ๊บเลยดูการที่ท่านสอนพร ะ, ะเพราะการท่านสอนพระมันเผิดร้อนทุกการ ลงถึงความยินความจรินทุกอกย่างอ่าลืมพูดถึงเรื่องการแจงกันห้าเท่าที่ผมอ่านมานี้ไม่ว่าหนังสือเล่มไหนของใครบรรดากรรมการวินไม่มีท่ า, า, า, า, า, า, า, า, านผู้ใดที่จะแจงเรื่องขันหา้าได้ละเอียดยอยิ่งกว่าท่านหาทางภาพปฏิบัติทานหวังคือแจงกันห้าทางภาพปฏิบัติผมถือเป็นแง่หนอ น, นใจผมพอใจผมที่ทา่านจะม า, า, ม า, าทำภาษาับเรา เพื่อจะมาทำรักษาผมคนห้ามแต่บาปเขยอมนั่นเพราะเป็นเรื่องกระทบกระเทือนมากมายแล้วการกินมันก็เป็นอย่างนั้นจริากันตั้งอกตั้งใจนะให้กินใง้จางลาอยู่นี่ก็มาสี่องค์ผมพยายามรักษาเพื่อให้เพื่อได้รับความสะดวกสบายในการปฏิบัติแต่ไม่รับมากทั้งๆอยู่สงสาร ปัญห า, าพระทั้งหลายต่างองค์ต่างก็มีหัวใจอยากมาอยู่ด้วยกันทั้งนั้นแต่แเราคิดถึงโทษของการอยู่มากไม่ใช่เป็นของดีผู้ที่อยู่แล้วก็จะเป็นหาความสุขไม่ได้ผู้ที่มาอยู่ใหม่ก็จะไม่เต็มเม็ดเต็มหนอเพราะมันที้มันก็ครับแค่ห้าอันหน่อนยเวลานี้องค์ไหนอยู่ที่ไหนก็เหมือนองค์เดียวองค์เดียวไม่ว่าคุติไม่ว่าทางยังกรมที่พระปกครองพระเพียนมันเหมาะสม มันก็อยู่อ ง, องเดียวๆถ้ามีรายองค์เข้ามาก็ต้องทางยังกรมก็แทรกเข้าไปที่พักที่อยู่ก็แทรกเข้าไปเลยเต็มไปเตั้งแต่ภาะแต่เนี้เหมือนกับมีงานหัว ล, ล, ละหัวละล่ะผลประโยชน์มีได้ทั้งที่ควรแล้วต้อ ง, งระมัดระวังการปกครองมีของสำคัญเพื่อดูแรงทื่อถิ่นหากเกิดอะไรขึ้นมาแล้วทําให้กระทบกระเทือนไปทั่วทั้งวัดเพราะกรรมาฐานเป็น ความละเอียดมากกว่าปกติของวัดทั้งหลายของข้าทั้งหลายพระธรรมสารเพามีความเกี่ยวโยงกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเหมือนอริวยว่าดเดียวกันถึงขนาดนั้นจีตมันยังไม่ลงในรวมยิ่งเป็นมีความกระทบกระเทือนทะละเบาแย้งกันด้วยเหตุผลกลไกอะใดไม่ลงกันเพราะอำนาจของพิเดสนั่นแหละมันถึงไม่ลงกันด้วยแล้วนั่นแหละก่อพื้นก่อไฟเผากันทั้งวัดเลย เราระวังมากนี่นั่นเป็นของห ย, บยาบหยาบกิเลสห ย, บยาบหยาบมันจะเห็นตัวมันแล้วการรักษาเอาที่เห็นตัวอยอันนี้ไม่ใช่ทาคนให้มีเศษไม่ใช่ทําเราให้มีเศษไม่ใช่ทาผู้ใดให้มีเศษทางนั้นเรามาก็จะมาฆ่าสิ่ ง, งนี้จึงให้เห็นสิ่งนี้เอาเป็นภัยอย่างนั้นสาคัญมากฮะก็แดงออกมาไม่ได้ ถ้าเราไม่ตายเสียไอ้ว่านั่นเลยกบมันแพ้ใครก็แพ้เถอะขอให้แพ้ทิ่กตัวเองเป็นถางต้องกามากชนะใครก็ตามไม่เห็นได้ดีกรีอะไรเลยชนะตัวเองแล้วนิเสร็จเนเอาตรงนี้นไปเสียดายอะไรยิ่งเละมันทำให้เสียดาย ยาดาต่อยลงไปตามความกินนั้นหมดดีก็ออกมาจากปากเขาชั่วมาจากปากเขาสัมผัสหูเราครับดับไพร้อมดับไปพร้อมมันก็เท่านั้นนี่อะไรอ้าวธรร ม, ม ญ, ญาอธิบายหมือนกันบ้างเดือดรเดือดระนี้